มัชราชจริยาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาอีกโวคิดให้ดีเนี่ยเห็นปลาช่อนเมื่อไหรก็นึกถึงพระโพธิสัตว์เลยได้เลยดีไม่ได้บอกว่าบอกเป็นกบด้วยอเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งในกาละเมื่อเราเป็นพญาปลาคำว่ามัชราชหรือพญาปลาเนี่ยนะอยู่ในสระน้ําในสระแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดู ร, ร้อน ก็จริงนะที่ที่รัตรัฐหนึ่งที่อินเดียที่ตายไปพันกว่าคนปีนี้ะนะที่แผ่นดินมันแตกระแหงมันมันแตกระแหงแบบแตกระแหงจริงๆอะ่ะเขาเข้ามานี่เป็นคนชนบทนี่ถือว่าเห็นบ่อน้ําสระน้ําคลองแตกระแหงนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้งเรื่องนะพอสระน้ําแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนที่นั้นเนี่ยกาแรง นกกระสานกตะก่มและเหยี่ยวมาคอยจับปลากินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแสดงว่า น, นี่ในป่านั้นเนี่ยถ้าเขตบ้านเขาเอาไปต้มตั้งนานแล้วในครั้งนั้นเราก็คิดอย่างนี้ว่าเรากับหมูญาติเนี่ยนะชาตินั้นมีปลาเป็นญาติถูกทุกบีบคั้นจะพึ่งเปลื้องหมูญาติให้พ้นจากทุกได้ด้วยอุบายอะไรเนาะเนี่ยนะ น, น้ำก็แห้งขอดทุกคนเนี่ยนอนจมอยู่ในโคลนตมเนี่ยนะ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 นึกถึงธรรมนึกถึงการไม่เบียดเบียนนะธรรมะของสัตว์บรุษการไม่เบียดเบียนเนี่ยนะคือถ้าดูตามนี้ก็คือปัญญากับกรุณานั่ น, นแหละว่าปัญญากับกรุณานั่นแหละที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์มากเราได้ทำสัตว์จากกิริยาว่าตั้งแต่เราระลึกถึงตนได้ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ตัวนะตั้งแต่รู้ตัวว่าเออตัวมาเกิดเป็นปลาเนี่ยนะพอรู้ตัวว่าเป็นปลาเนี่ย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 เมฆก็ส่งเสียงสนั่นขั้นครืน้นยังฝนให้ตกคู่เดียว น, นะครู่เดียวก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มครั้นเราทําความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นป่า น, นี้แล้วอาศัยกำลังอนุภาพความสัตด์ยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตย์หรือผู้เสมอด้วยศัจจ์ของเราไม่มีนี้เป็นศัจจ์บารมีของเรา ใครจะเชื่อนะว่าบางช่วงเนี่ยนะท้องฟ้าโปร่งพักเดียวเนี่ยเมฆมาเต็มไปหมดฝนตกทับเดียวเนี่ยนะทันอย่างในแถวแถวทะเลด้วยเนี่ยทับเดียวเนี่ยโล่งๆเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วพันธาเรารู้ได้ไหมว่าที่ตกเนี่ยด้วยอุณหภาพของอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้เมฆมารวมตัวแล้วพร้อมที่จะตกแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เมฆมาหายไปโดยทั่วไปบอกธรรมดาไอ้ธรรมดานี่แปลว่าไม่รู้หรอกธรรมดาบางทีเนี่ยแปลว่าไม่รู้นะ่นไง ก็มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละพฉะนะั้นบางทีเนี่ยด้วยแรงแห่งสัตว์จะแรงแห่งอธิษฐานอันนี้แหละทาให้เมฆรวมตัวแล้วก็ฝนวันที่มาของคําว่าคาถาขอฝนอย่างหน้าเนี่ยนะฤดูเนี่ยถ้าที่ไหนแห้งแล้งเขาจะว่าสวดคาถาขอฝนก็จะเอาคาถาเราเนี่ยไปสวดก็คือเอาอถ้อยคําที่พญา ม, มัชชราชกล่าวเอาไว้นั่นแหละพูดถึงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาเนี่ยนะ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 ในที่สุดพระองค์งก็ตัดสินใจว่าถ้ากระไรเราพึงทําสัจจกิริยาอาศัยสัจธรรมที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่กรคืออะไรท่านระลึกรู้เลยนะว่าทางของพระโพธิสัตว์ท่านดําเนินกันมาอย่างไรไแสดงว่าเป็นปลาก็รู้ตัวดีนะรู้ตัวระลึกชาติได้รู้ถึงเหตุรู้ถึงความเป็นไปของสังสารวัตรรู้ถึงข้อปฏิบัติของผู้ที่ปรารถนาะ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 สเพสตาหาราทิทิกาเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตว์โลกเนี่ยเกิดมายังไงก็ต้องอาศัยกับพลีงกระาหารถ้าฝนไม่ตกอย่างเดียวจะกินอะไรอ่ะสมมุติท่านโลกของเราเนี่ยฝนไม่ตกสักสิกสปีนะจะทานอะไรกันไม่มีทานตั้งแต่สปีแรกแล้วเสียฮะมันถึงหปี10ปีที่ไหนรอกถ้าไม่ตกทั่วโลกเลยนะภายใน3ปีนี้ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรทานเลยแหละในที่สุดก็สละ น, นะสละอะไรสละชีวิตให้เป็นทานทํำยังไงบอกว่าในการนั้นเราคิดอย่างนี้ว่าเรากับหมูย่าถูกบีบคั้นเพื่อจะเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรเนอเราคิดแล้วได้เห็นความสัตว์อันเป็นอัตเป็นธรรมว่าความสัตว์นี่แหละเป็นที่พึ่งของหมูย่าได้เราตั้งอยู่ในความสัตว์แล้วจะปลดเปลื้องความพิรุษใหญ่ของหมูย่านั้นได้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 นะอย่างที่บอกว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บสัตว์ทุกตัวกลัวทุก์ผู้ที่รู้เช่นนี้แล้วไฉนจึงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นเล่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ระลึกถึงคุณธรรมระลึกถึงธรรมอย่างนี้ได้ก็ไม่น้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเลยพระประเจกกับพระพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน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 ท่านจงยังเปือกตมนี้ให้เต็มยังฝูงกานั้นให้เดือดร้อนด้วยความโศกท่านจงยังฝนให้ตกเพื่อให้กาเศร้าโศกกาที่เสียใจสิงไม่มีปลากินนะไม่มีปลาขึ้นมาตาให้กินก็เสียใจเหมือนกันอธิบายว่าท่านจงทําโดยอาการที่ฝูงกาถึงความเศร้าโศกอันมีลักษณะจ้องดูภายในบทว่ามัชเฉโสกาปโมจยะจงปลดเปื่องฝูงปลาจากความโศก คือจงปลดเปลื่องฝูงปลาทั้งหมดซึ่งเป็นญาติของเราให้พ้นจากความเศร้าโศกคือให้พ้นจากความตายเถิดจึงอยู่ปลาทั้งหลายมีความเศร้าโศกคือความตายอยู่อย่างใหญ่หลวงว่าพวกเราจะถึงความเป็นอาหารของศัตรูเพราะไม่มีน้ําเสียจะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยนะโอ้ยคนจะตายคิดดูมันจะเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นความโศกเกิดขึ้นด้วยความกรุณาของพระโพธิสัตว์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 ทุกเนี่ยนะเห็นความทุกของเขาบอกถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเป็นต้นเนั้นสามัญญาสำนึกของท่านมีแต่อย่างนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสเรียกปัจชุณเทพบุตรดุดบังคับคนรับใช้ของตนให้ฝนหาใหญ่ตกทั่วแคว้นโกศลด้วยเดชแห่งศีลของพระโพ ธ, ธิสัตว์ปันดุกกรรมพลศิลาอาถของเท้าสกกะแสดงอาการร้อนตลอดการด้วยสัจจะกิริยานั้นเท้าส ก, ก่ารำพึงว่าอะไรหนอ ครั้นทราบเหตุนั้นแล้วเจึงรับสั่งให้เรียกวัสวะวลหกเทวราชมาแล้วก็มีเทวะบัญชาวะนี่แน่เจ้าพญาปลาเนี่ยนะคือมัชราชเนี่ยพญาปลาเนี่ยผู้เป็นมหาบุรุษปรารถนาจะให้ฝนตกเพราะความเศร้าโศกท้าวสกะนี้รู้นะว่าคนนี้คือพระโพธิสัตว์ต้องการ เพราะอะไรเพราะความตายของญาติทั้งหลายเจ้าจงทำเมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้ฝนตกทั่วแคว้นโกศสนเถิดวะสาเวลาหกเทวราชรับเทวบัญชาแล้วนุ่งเวลาอ่ะนุ่งนุ่งเวลาหกก้อนหนึ่งหมเวลาหกก้อนหนึ่งเพลงขับสายฝนบ่ายหน้าไปยังโลกด้านทิศ ต, ตะวันออกบางคนก็บอกเอยก็ไม่เห็นมีเทวดาอะไรเนี่ยอยู่ในเมฆ ก, กันนะก็ อย่างเขาเรียกว่าปีศาจคลุกฝนเดินชนกันยังมองไม่เห็นน่จะไปต้องพูดถึงเทวดาระดับสูงอะไรหรอกทางรานทิ่ตะวันออกก้อนเมฆ ก, ก้อนหนึ่งประมาณเท่าบริเวณลานก็ได้ตั้งขึ้นร้อยชั้นพันชั้นแสดงว่าเมฆเนี่ยมันก่อตัวหนาขึ้นเป็น2 0เป็นเป็นกิโลว่างั้นเหรนะคำรามเปล่งสายฟ้าไหลลงมาเหมือนหม้อน้ำที่คว่ม หลังน้ําใหญ่ท่วมแควนโกศลทั้งเส้นเมฆเนี่ยบางทีมันหนาเป็นสิบสิบกิโลนะบางทีก็หนาเกินสิบกิโลเนี่ยนะหนาจริงๆเลยนะพันฝนก็ตกมาไม่ขาดสายครู่เดียวเท่านั้นแหละสะใหญ่นั้นก็น้ําก็เต็มสะตัวนี้ก็นะจะแปลว่าบึงนะบึงใหญ่เป็นที่ไหลที่รวมของน้ํำนะไหลนองมาปลาทั้งหลายก็พ้นจากมรณะไผ่กาทั้งหลายก็กาเป็นต้นก็หมดที่พึ่งเพราะ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 เราทําความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความศักดิ์อย่างประเสริฐเห็นตานี้แล้วอาศัยกําลังอนุภาพความศักดิ์จึงยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความศักดิ์ของเราไม่มีนี้เป็นสักจะบา ร, รมีของเราเนี่ยนะแปลว่าด้วยอนุภาพของกําลังศักจะ น, นี้ทําให้ฝนตกลงมาหาใหญ่พระโพธิสัตว์นั้นมีใจร่าเริงด้วยกรุณาอย่างนี้ได้ปลดเปลื้องมหาชนจากมรณะทุกข์ด้วยยัง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 พวกนั้นก็กินพวกโครนกิอนอุจาระกินอะไรไปนั่นแหละก็ปลาเนี่ยนะบอกว่าเขาเลี้ยงปลานี่ยก็ใช้อะไรเลี้ยงก็ใช้ขี้หมูเลี้ยงเป็นต้นนั่นนะพันธุ์พวกนี้นก็กินอุจาระกินอะไรทั่วไปหมดมันก็กินซากสัตว์ตายนั่นแหละการไม่กินก็ช่างเถิขดขณะเดียวกันก็ยังไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คุณธรรมอีกอันหนึ่งนะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้สัตว์อื่นเดือดร้อนด้วย แล้วก็ยังมีสัต จ, จะวาจะทาฝนให้ตกลงมาอีกด้วยเมื่อน้ำแห้งด้วยความกล้าไม่คำนึงถึงทุกที่ตนจะได้รับก็ยังคือรอะไรนะยังโผล่แหวกเปลือกตมโผล่ออกมาเพราะอะไรเพราะเมื่อมูญ่าทนไม่ไหวจึงทำทุกนั้นเอาไว้ในใจด้วยตนช่วยเหลือโดยทุกวิธีพยายามค้นคิดว่าจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกได้อย่างไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณธรรมของใคร มัชราจริยา